4. สังขารขันทุกะมูลกะวาระบรรดาขันหนั้นสังขารขันเป็นชนหนสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่ สังขารขันที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันหมวดละสามได้แก่สังขารขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภยากฤิตก็มีสังขารขันหมวดละสีได้แก่สังขารขันที่เป็นกามวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีสังขารขันหมวดละห้าได้แก่ สัง ข, ขารขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขินสีก็มีที่สัมปย he er he er he er ุทธ ah, ์ด้วยทุกขินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยสมุนทินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโทมุนทินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบขินสีก็มีสังขารขันธ์หมดละห้ามีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมดละหกได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส เจตนาที่เกิดแต่คานสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่ชีวหาสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสังขารขันหมวดละหกมีด้วยอาการอย่างนี้สังคารขันหมวดละเจ็ดได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสและถึงเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนท่าสัมผัส เจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาสัมผัสสังขารขันธ์หมวดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมวดละแปได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักรุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายะสัมผัสที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกขก็มีเจตนาที่เกิดแต่มโนธาสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาสัมผัส สังขารขันโหมดละแปดมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันโหมดละเก้าได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนท่าสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณท่าสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภยากฤิตก็มีสังขารขันโหมดละเก้ามีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันโหมดละสิบได้แก่ เจตนาที่เกิดแต่จกักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายะสัมผัสที่สหรอโคด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีเจตนาที่เกิดแต่มโนท่าสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณท่าสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภยากฤตก็มีสังขารขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันโหมดละหนึ่งได้แก่ สังขารขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันหมวดละสามได้แก่สังขารขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีสังขารขันที่เป็นวิบาก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี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 ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นของเสขะบุคคลก็มีที่เป็นของอเศะบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอาศะบุคคลก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นปริตตก็มีที่เป็นมหากตะก็มีที่เป็นอัปมาณะก็มีสังขารขันธ์ที่มีปริตต์เป็นอารมณ์ก็มี ท, ท, an ท, Rama, ท político, Empire, ีท eh. ่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีสังขารขันที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีสังขารขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีสังขารขันที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มี ที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสังขารขันธ์ที่มีอดีตตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสังขารขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีละถึงสังขารขันธ์หมวดละสิทมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันธ์หมวดละสองได้แก่ สังขารขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปปยุทธ์จากเหตุก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี สังขารขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสังขารขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสวะก็มี สังขารขันธ์ที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุทธ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี สังขารขันที่เป็นสังโยกก็มีที่ไม่เป็นสังโยกก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีสังขารขันที่สัมปยุด้วยสังโยกก็มีที่วิปยุจจากสังโยกก็มีสังขารขันที่เป็นสังโยดและเป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่เป็นอารมณ์ของสังโยต์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีสังขารขันที่เป็นสังโยดและสัมปยุด้วยสังโยกก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นคันถาก็มีที่ไม่เป็นคันถะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันถาก็มี ที่วิปยุตจากคันถะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่เป็นอารมณ์ของคันถะแต่ไม่เป็นคันถะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นคันถะและสัมปยุตด้วยคันถะก็มีที่สัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันถะก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่วิปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี สังขารขันที่เป็นโอคะก็มีที่ไม่เป็นโอคะก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสังขารขันที่สัมปะยุด้วยโอคะก็มีที่วิปยุจจากโอคะก็มีสังขารขันที่เป็นโอคะและเป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่เป็นอารมณ์ของโอคะแต่ไม่เป็นโอคะก็มีสังขารขันที่เป็นโอคะและสัมปยุดด้วยโอคะก็มี ที่สัมปะยุดด้วยโอคะแต่ไม่เป็นโอคะก็มีสังขารขันที่วิปยุจจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุจจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสังขารขันที่เป็นโยคะก็มีที่ไม่เป็นโยคะก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสังขารขันที่สัมปยุดด้วยโยคะก็มีที่วิปยุจจากโยคะก็มี สังขารขันธ์ที่เป็นโยคะและเป็นอารมณ์ของ uniform, โยคะก็มีที่เป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็นโยคะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นโยคะและสัมปยุทธ์ด้วยโยคะก็มีที่วิปยุทธ์ด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะก็มีสังขารข네ันธ์ที่วิปยุทธ์จากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุทธ์จากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นนิวรณ์ก็มี ที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีสังขารขันที่สัมประยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์ก็มีสังขารขันที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสังขารขันที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี สังขารขันที่วิปยุจจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปยุจจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีสังขารขันที่เป็นปร r มา a ก็มีที่ไม่เป็นปร r มา a ก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของปร r มา a ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปร rama ก็มีสังขารขันที่สัมปยุจด้วยปร rama ากา็มีที่วิปยุจจากปรามา a ก็มี สังขารขันธ์ที่เป็นปรามากและเป็นอารมณ์ของปรามากก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามากแต่ไม่เป็นปรามากก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุจจากปรามากแต่เป็นอารมณ์ของปรามากก็มีที่วิปยุจจากปรามากและไม่เป็นอารมณ์ของปรามากก็มีสังขารขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี สังขารขันที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานก็มีที่วิปะยุทธ์กอุปาทานก็มีสังขารขันที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี สังขารขันที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสังขารขันที่วิปยุทธ์จากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุทธ์จากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสังขารขันที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสังขารขันที่กิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีสังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุทธ์จากกิเลสก็มีสังขารขันที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขัน <ma us illas> ที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองก็มี กิเลสทาให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสและสัมพยุด้วยกิเลสก็มีที่สัมพยุดด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตแจกกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตแจกกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคก็มี สังขารขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีสังขารขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีสังขารขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีสังขารขันที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตก็มี สังขารขันที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีสังขารขันที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสังขารขันที่สหรคโคด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสังขารขันที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสังขารขันที่สหรคโคด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี สังขารขันที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามวจรก็มีสังขารขันที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีสังขารขันที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีสังขารขันที่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีสังขารขันที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ก็มี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 สังขารขันโหมดละสิทธ์มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันโหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันโหมดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีสังขารขันโหมวดละสามได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาก็มี และถึงสังขารขันที่ schnell, ido, มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีและถึงสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ทุกกะมูลกะวาระจบติกะมูลกะวาระสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมพยุดด้วยจิต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 สังขารขันที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ก็มีสังขารขันหมดละสามได้แก่สังขารขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตกก็มีและถึงสังขารขันหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธด้วยจิตสังขารขันหมดละสองได้แก่ สังขารขันธ์ที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันธ์หมวดละสามได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขละมสุขเวทนาก็มีและถึงสังขารขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีละถึง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 อุพโตวัตกะวาระสังขารขันหมลละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันหมลละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันหมลละสามได้แก่สังขารขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภยยารกรก็มีและถึงสังขารขันหมลละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้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 ที่กรรอมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีละถึงสังขารขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สงัสงขารขันโหมดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันโหมดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันโหมดละสามได้แก่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 สังขารขันหมู่ละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสังขารขันหมู่ละสามได้แก่สังขารขันที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีละถึงสังขารขันหมูล่ละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมู่ละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิต สังขารขันหมดละสองได้แก um, um, um, ่สังขารขันที demek, <S <S ่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีสังขารขันหมวดละสามได้แก่สังขารขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื่อมวลสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมรรคเบื่อมวนสามก็มีและถึงสังขารขันหมวดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมดละหนึ่งได้แก่ ส, สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันหมดละสามได้แก่สังขารขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก <ST> ็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื่งบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่บนสามก็มีและถึงสังขารขันหมวดลสิ์มีด้วยอาการอย่างนี้ สังขาระคันหมดละหนึ่งได้แก่สังขาระคันที่สัมปะยุทธ์ด้วยจิตสังขาระคันหมดละสองได้แก่สังขาระคันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสังขาระคันหมวดละสามได้แก่สังขาระคันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานก็มีละถึง สังขารขันโหมดละสิธิ์มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันโหมดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันโหมดละสองได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสวะก็มีสังขารขันโหมดละสามได้แก่สังขารขันที่เป็นของเสชาบุคคลก็มีที่เป็นของอาเสชาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสชาบุคคลและอาเสชาบุคคลก็มี และถึงสังขารขันหมวดละสิบม well. well ีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันหมวดละสามได้แก่สังขารขันที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหาคตะก็มี ที่เป็นอัปปามะนะก็มีและถึงสังขารขันโมลละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันโมลละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันโมลละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันโมลละสามได้แก่สังขารขันที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มี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 สังขารขันโมลละสามได้แ <wise> ก่สังขารขัน <wise> ที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีเขก็มีละถึงสังขารขันโมลละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันโมลละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันโมลละสองได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยคก็มีที่วิปยุทธ์จากสังโยคก็มี สังขารขันหมุดละสามได้แก่สังขารขันที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีและถึงสังขารขันหมุดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่เป็นอารมณ์ของสังโยน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มี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 ที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีสังขารขันหมวดละสามได้แก่สังขารขันที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีและถึงสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันหมดละสองได้แก่ สังขารขันธ์ที่เป็นขันธ์ก็มีที่ไม่เป็นขันธ์ก็มีสังขารขันธ์หมวดละสามได้แก่สังขารขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก er> ็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีและถึงสังขารขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้อุพโตวัฏภะวาระจบ วิทะวาระสังขารขันหมดละเจตได้แก่สังขารขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัปยากริกก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก็มีสังขารขันหมดละเจตมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมดละเจตอีกหมวดหนึ่งได้แก่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 ที่ไม่นับหนึ่งในวตัตถุทุกข้อมีสังขารขันหมวดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละ24ได้แก่เพราะจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอภยากฤิทหนึ่งจึงมีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานะสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเพระ า, ะ, เปเปาพระชิวหาสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัย เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤิตรหนึ่งจึงมีเจตนาที่เกิดแต่จากปุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสังขารขันธ์หมวดละยี่สิบสี่มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมวดละยี่สิบสี่อีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันธ์ที่สัมปยุดด้วยสุขเวทนาหนึ่ง ที่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุดด้วยอุทกกรรมสุขเวทนาหนึ่งและถึงสังขารขันที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเจตนาที่เกิดแต่จักปุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานะสัมผัสเป็นปัจจัย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 สังขารขันหมวละยีมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละ30ได้แกแเพราะจากกุศสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ม่นับหนึ่งในวัตทุหนึ่งจึงมีเพราะโสตสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเพราะคาณสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเพราะกายาสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัย เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันธ์ที่เป็นกลามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุหนึ่งจึงมีเจตนาที่เกิดแต่จักผูสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสังขารขันธ์หมวดละสามบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมวดละมากอย่างได้แก่เพราะจักผูสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่ง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 ที่เป็นอัพยากฤิตหนึ่งที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่มีนับหนึ่งในวัตทุหนึ่งจึงมีเจตนาที่เกิดแต่จักผุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสังขารขันหมัวละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมัวละมากอย่างอีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจักผูสัมผัสเป็นปัจจัย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 ที่เป็นกายมาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับนึ่งในวัตถุก็มีเจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสังขารขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสังขารขันพระหูวิทะวาระ